สัตตะสมถนิทานว่าด้วยนิทานแห่งสมถ7เจ2สห้าถามส ม, มุขาวิันมีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุทไทยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดก่อนมีอะไรเป็นองค์มีอะไรเป็นสมุทฐานสติวินัยละอมุรหาวิไนละ ปติญญาตาการณะละเยพุ ย, ยสิกาละตัสปาปิยสิกาละตินวถารกะมีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดก่อนมีอะไรเป็นองค์มีอะไรเป็นสมุทฐานตอบสัมุขาวิไนมีนิทานเป็นนิทานมีนิทานเป็นสมุทัย มีนิทานเป็นชาติมีนิทานเป็นแดนเกิดก่อนมีนิทานเป็นองค์มีนิทานเป็นสมุทฐานสติวินัยละอมูลหาวินัยละปฏิญญาตะการณะละเยปุยสิกาละตัสปาปิยสิกาละตินนวัฏฐานะมีนิทานเป็นนิทานมีนิทานเป็นสมุทยัย มีนิทานเป็นชาติมีนิทานเป็นแดนเกิดก่อนมีนิทานเป็นองค์มีนิทานเป็นสมุดฐานถามสามุขาวิันมีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุดไทยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดก่อนมีอะไรเป็นองค์มีอะไรเป็นสมุดฐานสติวินัยละอมุระหาวิไนละ ปติญญาตการณะละเยผุยสิกาละตัสปาปิยสิกาละตินวัถารกะมีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุทยัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดก่อนมีอะไรเป็นองค์มีอะไรเป็นสมุทฐานตอบสัมมุขาวิไนมีเหตุเป็นนิทาน มีเหตุเป็นสมุทยมีเหตุเป็นชาติมีเหตุเป็นแดนเกิดก่อนมีเหตุเป็นองค์มีเหตุเป็นสมุทฐานสติวินันละอมุระหาวิไนละปฏิญญาตการณะละเยปุยสิกาละตัสปาปิยสิกาละตินวัฏฐากะมีเหตุเป็นนิทาน มีเหตุเป็นสมุทัยมีเหตุเป็นชาติมีเหตุเป็นแดนเกิดก่อนมีเหตุเป็นองค์มีเหตุเป็นสมุทฐานถามสมุขาวินัยมีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก่อนมีอะไรเป็นองค์มีอะไรเป็นสมุทฐาน สติวินัยละอโมราหาวินัยละปะติญญาตการะละเยุยสิกาละตัสปาปิยสิกาละตินวัารกะมีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุ ท, ทยัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดก่อนมีอะไรเป็นองค์มีอะไรเป็นสมุทฐานตอบ ส ม, มุขาวินยัยมีปัจจัยเป็นนิทานมีปัจจัยเป็นสมุทยัยมีปัจจัยเป็นชาติมีปัจจัยเป็นแดนเกิดก่อนมีปัจจัยเป็นองค์มีปัจจัยเป็นสมุทฐานสติวินยัยละอมุรหาวิไนละปตินยาตการณะละเยพุยสิกาละตัสปาปิยะสิกาละ นวัฏฐากะมีปัจจัยเป็นนิทานมีปัจจัยเป็นสมุ ท, ทยัยมีปัจจัยเป็นชาติมีปัจจัยเป็นแดนเกิดก่อนมีปัจจัยเป็นองค์มีปัจจัยเป็นสมุดฐานว่าด้วยมูลเหตุและสมุดฐานแห่งสมถะสามถามสมถะเจมีมูลเหตุเท่าไรมีสมุดฐานเท่าไหร่ ตอบสมถะเจมีมูลเหตุ26มีสมุธฐาน36ถามสมถะเจมีมูลเหตุ26อะไรบ้างตอบสา ม, มุขาวินยัยมีมูลเหตุ4คือความพร้อมหน้าสงหนึ่งความพร้อมหน้าธรรม 1. ความพร้อมหน้าวินัย 1. ความพร้อมหน้าบุคคลหนึ่ง สติวินัยมีมูลเหตุ4อมุระหาวินัยมีมูลเหตุ4ปฏิญญาตการะมีมูลเหตุสองคือ 1. ผู้แสดง 2. ผู้รับเยปุยสิกามีมูลเหตุสตัสปาปิยสิกามีมูลเหตุสตินวัฏฐานะมีมูลเหตุ4คือ 1. ความพร้อมหน้าสงส์ 2. ความพร้อมหน้าธรรม 3. ความพร้อมหน้าวินยัย 4. ความพร้อมหน้าบุคคลสมถะเจมีมูลเหตุ26นี้ถามสมถะเจมีสมุทฐาน36อะไรบ้างตอบการประกอบการกระทาการเข้าถึงการขอร้องกิริยาที่ยอมรับไม่คัดค้านกรรม คือสติวินัยการประกอบการกระทําการเข้าถึงการขอร้องกิริยาที่ยอมรับไม่คัดค้านกรรมคืออมูระหวินัยการประกอบการกระทําการเข้าถึงการขอร้องกิริยาที่ยอมรับไม่คัดค้านกรรมคือปฏิญญาตการณะการประกอบการกระทํา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 กิริยาที่ยอมรับไม่คัดค้านกรรมคือตินวัฏฐากะสมถะเจมีสมุทฐาน36นี้